นี่เคยทํามาทุกอย่างในบรรดาที่นํามานสอนหมู่เพือ่อนและหมู่เพื่อนทาอ ย, าอยู่ทุกวันนี้ผมเคยทํามาแล้วทั้งนั้นเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มาแต่พอท่านอา น, นุโลมเราไปดูท่านไม่เคยเห็นที่ไหนแล้วก็ยึดหลักนั้นมาคือปฏิบัติเต็มที่กําลังความสามารถของตน เพรนั้นหมู่เพื่อนมาเกาะลุมเข้ามาเรื่อยตั้งแต่ท่านมาหน้าภาพจากไปนู่นเขาในป่าในเขายัางนีนก็ลุมไปตามสุดท้ายกัพันกันตรงไปด้วยกันอย่างที่เห็นเนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนนิสัยวัสนากว้างความใหญ่โตภูมิฐานอะไรไว่าเราเป็นคนหนภาพวัฒนาก็ยอมรับเพีงที วนิสัยเราไม่ได้ชอบเรื่องพลุ่มพลังไปไหนก็ไปตามวิสัยวัฒนาอภาพัพมิจฉาของไม่เกี่ยวกระหมูกระเพื่อนนอกจากกูวาจาย์ทั้งนั้นพอทัน่ ว, วงไปแล้วก็เข่าป่าเขาเขากหมูเพื่อนก็ลุ่มตามขโมยหนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นขมยูยนี้จากหมูจากเพื่อนเพราะดูลําพังองเดียว มันสะดวกสบายไม่ยุ่งอะไรกับอะไรอยากกินก็ได้ไม่อยากกินก็ได้หนึ่งสุดท้ายมันแบบเต็มไปหมดกินไหนๆก็หลั่งไหลมานี่ตัวเสมอสอนเสมอการที่จะเกิดผลดีขึ้นมานั้นก็ยิ่งเพิ่มความไม่ดีขึ้นเรื่อยๆให้เห็นอยู่ตําหูตําตาอยู่เรื่อย เหมือนก็ไม่ได้มาศึกษาทั้งๆ ท, ที่ศึกษาแล้วก็สั่งสอนกันแล้วมันยังเป็นไปอยู่ต่อหน้าต่อตานี่จะทำยังไงโอโหทหารผมก็โกรธแล้วหรือว่าอะไรน้ำอ่อยน้ําตาลแม้แต่น้ำร้อนที่เฉยผมก็ไม่ได้ฉันอยู่อย่างนั้นแล้วไม่เคยมาเกี่ยวกับน้ำร้อนน้นชาชาอะไรเลยจะมาแต่น้ตาตาลกกโก้กาแฟน้ำส้มน้าหวานนี่เลยเพราะตะกอนก็ไม่มีด้วยไม่สนใจด้วย อันนี้มันเหลือเฟือในวัดนี้ถึงว่าเราอารมณ์จะ อ, อกจะแตกก็นะเลยบอกแล้วมันก็ยิง ล, ล, ลุกลามไปลูกลามไปลูกลามไปมันมาหาอยู่หากินกันมันไม่ได้มาเพื่ออเพื่อทํานี่ที่ตัวอกเราจะแตกแล้วจะอยู่กระหม่อมทนไม่ได้อดถ้ากลัวต า, า, ายอดปฐมมาอดอาหารถ้าจะถันก็นมาฉันที่ควรเดี๋ยวนี้ยังมีองกไหนมั่ง ที่ขนไปเป็นครั้งน้ำอ้อยน้ำตาลโกโก้โกาแฟเนย ใ, ในยข้นดูตามกุฏิเออมีกุฏิองไหนองไหนบ้างยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวนี้เฮ อ, อยามาอยู่ให้หนักวัดนี่นะเราไม่ได้สอนหมู่เพื่อนเพื่อนอ น, น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานเนี่ยสอนเพื่อหัดเพื่อทําจริงๆ อย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาเหยียบย่ำทำลายอย่ามาเอาสิ่งเนี้มาอวดนะสิ่งเหล่านี้มีเต็มไปหนแผ่นดินไม่เห็นเป็นของประเสริฐไม่ได้ถือว่าแสดงกระฉามมีกัมันสันกทีอย่ามาอวดนะพุงอย่ามาอวดลิ้นอย่ามาอวดอย่ามาเหยียบย่ำทำลายทำผู้ยุตนาวังดีมีอยู่อย่าเามากีดมาขวางเมื่อไม่สมัครใจให้ไปอย่าให้ได้ ไ, ดไล่กันนะนี่โอเะแต่เราลักนะหมูกับเพื่อน มาอยู่ทาไมเราไมา่ได้มาสอนหมู่เพื่อนใส่น้ำอ่อยน้ําตาลนี่นะใส่เรื่องเปล่าเรื่องท้องนี่เราสอนศาสตร์แต่ทำต่างหา่างนี่มาเองนี่นะใครไม่ได้เชื่อชิญมาไม่บังคับบัญชามานมาทำไมทําไมกี่ความหมู่เพื่อนเหยียบย่ำทำลายครูบาอาจารย์นักการแนะนําสั่สอนไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าพุงกว่าปากกว่าท้องแล้วเวลานี้นะ่ะมันหน้าด้านไปแล้วนะ ได้พูดแล้วถ้าจะถันก็มาถันที่ครัวนี่นะฉันพอยเยียวยาเท่านั้นถ้ามันหิวยิ่กว่านั้นก็มากินสิ่ที่กินข้าวไปไล่ไปก๋วข้าวก็มีอยู่แล้วนี่ให้มันขวางทําไมมาอวดทําไมหวดที่เหลือจะหยาเท่ า, านั้นนั่นเอายิ่งยาบขึ้นไปยิ่งกว่าผู้ไม่อดได่ออีกสั่งอะไรก็ตามทเนี้ใครจะสั่งอะไรถ้าเราไม่รู้ด้วยไม่ได้นะ มันเก่งแล้วเดี๋ยวนี้มันแวกแนวเก่งยิ่งกว่าครูบางเวลามันได้ออกเหมือนผีตัวหนึ่งนะมันจะเล่นเมื่อไหร่ชักเทือนหัวใจย อ, อยู่ไม่หยุดเลยเพราะมันผิดกับเจตนาที่เราสั่งสอนหมู่เพื่อนหรือความทุ่มเทจริงจริงแล้วเวลาผลมันตกออกมามันเป็นอย่างนี้เป็นเยเป็ด เ, เ, เ, เป็นผีไ ป, ปหมดอท้องถูเขาปากเท้ารูเข็มมันไม่มี อีมีพอเลยให้ครายบ้างอะไรบ้างไปโกลยไปไว้ที่กุฏินะมาหาอะไรหนีนะอย่าอยู่นะวัดนี้ไม่ประสงค์ทางนั้นถ้าเป็นแบบที่ว่านี่ยาเอามาอวดเราจะอยู่คนเดียวเรานี่ ตายก็ไม่ใช่คมามกุชลาแหละพูดตรงๆอย่างนี้เราไม่ใช่อวดนะเราจะตายอย่างสบายเราเลยตามนิสัยของเราที่มันอาภัพดูคนเดียวตายคนเดียวนี่ไม่ได้หวังพึ่งอะไรทั้งสามแดนโลกธาตุนี่การที่อยู่กับหมู่กับเพื่อนกับยูด้วยกการถูกการไถความเมตตาสงสารเก่อนจะเป็นผู้เป็นคนเป็นพระเป็นเดน่อยึดหลักยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์แนะนำสั่งสอน ผู้สายสั่งสอนมากี่ปีแล้วนี่สามสิบกวปีแล้วตั้งแต่เกี่ยวข้องกับหมูก่กับคณะมันจะเริ่มตังม้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมรณภาพไปมันมาานันลุมมาตั้งแต่นัดบัตนั้นจนมาถึงปัจจุันนี้ยิ่งหนายิ่งแั่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกเวลาผลที่จะเบิได้มันไม่ปรากฏนี่มี่เปเรื่องขีดเรื่องขวางเ้ื่องทิ่มแทงหงูตาใจตลอดเวลามันมันเออประโยชน์อะไรสั่งสอนเพื่อประโยชน์อะไรเมื่อมันเกิดประโยชน์แล้วสอนไปทําไม อยู่เยอะเฉยมันไม่สบายดีกว่านั้นน่ะหรือยังมีอยู่ไหมเนี่ยไล่ไหนพูดมาหลายครั้งแล้วเนี่ยนะมันยังมีอยู่ไหนอยู่ไหมผ้าหน้าด้า น, าานพูงเท้าภูเขานี่มันยังมีอยู่ไหนเอามาอวดทำอยู่นี่นะ่ะ ไม่กลัวตายที่ถึงได้ทําสิ่งใดแต่เห็นว่าชอบทำแล้วไม่กลัวตายกลัวตายอย่าทำอย่าให้มันขีดขวางหมู่เพื่อนนี่จะสอนแนวของในครัวนี่ก็เต็มมันอะไรมันจึงต้องแหวกแนวเอาไปกุฏินู่นเอาไปนูน่นไปนูน่นอะไรก็สั่งเข้ามาคลวยเข้ามาคลวยเข้ามาขโมยเข้ามาลักลอบเข้ามาเหมือนของนี้ภาษีนี่เดียวเหี้ พระเหล่าเนี้เป็นอย่างนั้นนันทำไมมันถึงหยาบโลนก็ไปทุกวันทุกวันสอนได้มีความเรียกเขาว่าตละยิ่งเพิ่มความหยาบโลนให้เห็นมาอยู่ให้หนักวัดทำไมมีสอนหมดใช่หมดพุงทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าปฏิปัตาาิเครื่องดำเนินสอนหมดพุงผลเกิดขึ้นมากน้อยเปยังไงทุ่มลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือเพื่อหมือเพื่อคณะในความเมตตาสงสารจรงิงๆแล้วไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องโลกามิตรใดๆไม่มีมาเกี่ยวข้องในหัวใจเลยนอกจากเพื่อหัวใจหมู่เพื่อนถ่ายเดียวทั้งนั้นทุกยากลําบากขนาดไหนก็ทนเอาพอเพราะเส้นจากหัวใจจากที่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ ก็ล่งโรยงไปล่วงโรยไปล่วงโรยไปแต่ไม่มีที่ยึดที่ถือที่พอเป็นหลักเป็นเกณฑ์พู้เพียรณาบางดีผู้ตั้งใจเป็นหลักเป็นธรรมมีอยู่ก็มุ่งแต่นี่ไม่ทราบอะไรเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันเป็นมูลสดมูลแห้งไปหมดแหลกไป ต, ตามๆกันหมดแล้วผู้มามาใหม่ก็ไม่รู้เรื่องก็เห็นขี้ก็เลยคลุกคล้ากไปกับขี้นั้นไปเลยเพราะพวกนี้สร้างแต่ขี้เว้ ขี่กองเต็มมัดเต็มมาไว้หมดหาที่เหยียบที่ยากไม่ได้อะผู้มาที่หลังก็นึกว่าสถานที่นี่มันมีที่เหยียบที่ยากตั้งแต่ขี่เท่านั้นไม่มีอะไรก็เหยียบไปตามๆกันมัอนก็แหลกไปตามๆกันหมดไม่มีอะไรเหลือสอนหมดทุกเนี่ยทุกมุมหลวงผูู้บาอาจารย์ผ่าดำเนินมาอย่างไร การต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทต้องลำบากลาบนก็บอกแล้วเพื่ออัดเพื่อทําต้องรื้อต้องถอนต้องฟาดต้องฟันเข้าไปหนักกับเบาก็ไม่ได้คํานึงนี่เพราะกิเลสมันหยาบมันหนามันทําความลําบากทรมานแก่เราปกติมันก็ทำความทรมานเวลาจะถากจะถางมันออกมันก็ทุกข์กว่ายากกว่าลําบากเพราะเรื่องของกิเลสไถ่ายาวเท่านั้นเรื่องของธรรมไม่ได้มีอะไรลําบากทําเป็นรำอยู่แล้ว ไม่เคยก่อความลำบากลำคาญเป็นทุกข์เดือดร้อนแก่ผู้ใดขึ้นชื่อว่าทําแล้วไม่ว่าทําประเภทใดเรื่องที่รับความทุกข์ความยากความลำบากต้องฝึกฝนท ร, รมานก็ฝึกท ร, รมานต่อสุกขกับกิเลสตัวยากๆนั่นเองก็สอนแล้วสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นเรื่องค่ากิเลสหรืหอนอกจากมันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีกํลาลังเหยียบหัวคนเหยียบหม้อผ้าลงไปสดๆร้อนๆจนหน้าด้านกระเท น, น, นไม่เห็นมีอะไร มันจะกลายเป็นภาพหน้าด้านไปหมดท้องวัดนานานี้นะพวกท่านมาหวังประโยชน์อะไรหรือมากินมานอนนี้มากี่นี่หรือมันพิเศษด้วยหรือของอะนี้เอามาอวดทาไมมาเหยียดย่ำทาลายทำทำไมเอามาอวดทำทำไม ถ้าไม่เคยทำไม่เคยดำเนินมาก็ไม่ว่าแนละ้วเราไม่เราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยดำเนินมาหย่างเป็นข้าเราก็เป็นมาก่อนแล้วนี่าการปฏิบัติอย่างไรลาบากลาบนขนาดไหนหรือสะดวกยังไงก็เป็นมาแล้วได้เอาเรื่องที่เป็นมาแล้วทั้งนั้นมาสอนหมูด้วย่อวาอดข้าวก็ได้พูดแล้วถึงขนาดเขาแตกบ้านมาดู เพราะว่าตายแล้วหนึ่งถ้าไม่ตายไม่โมโหโถโสอยู่เหรือไปดูสิหนึ่งนั่นขนาดนั้นไม่ได้สนใจเพราะน้ํำอ้อยน้าตาล ม, มันก็ไม่มีแล้วตามปกติของมันน้ำต้มน้ําหวานก็กบพวกกาแฟอย่าไปถามเขาเลยแล้วก็ไม่สนใจด้วยแม้แต่น้ําร้อนน้ําชาก็ไม่แตกไม่เคยสนใจเพราะอดอดจริงๆรเอาจริงๆสู้จริงๆมันจะตายยิ่งก็ไปฉันมันได้ เ, เราเ ป, ปฏิบัติเพื่อเพื่อเราสักแค่ทำไมจะไม่รู้เรื่องของเราอาจะเป็นหรือตายตปฏิบัติได้อย่าเอาความสะดวกความสบายอันเรื่องของกิเลสมาเหยียบย่าทำลายวัดวาวั ด, ว ด, วดคูบายจาาันตลอดเ่้นฝูงที่เจตนาวังดีมีอยู่มากอย่าเอาของหยาบๆรดนเข้ามาเหยียบ ย, ย่าทําลายยามาอวดนะ นิสัยเคยชอบสะดวกสบายมันติดฉันดานมานี่นิสัยนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นธรรมหรือมันเป็นยี่เลยเวลานี้จะมาแก้อันนั้นไม่ใช่หรือทําทำไมจริงต้องม า, มาประกาศออกหน้าออกตาขวางวัดขวางวาวขวางหมู่เพื่อนความครูบาอาจารย์อยู่ได้โดยไม่ฉกถานเลยมันต้องเป็นนัหรือพาะแบบนี้ท่านจะหวังความมิเศษมิสโสจากอะไร ถ้าจากอันนี้มันเอาความวิเศษวิสูรเรให้เอามาอวดผมมั่งสิสั่งนั้นมาสั่งนี้มาสั่งนั่นมากินสั่งนี้มากินมันพากรรมาฐานยังไงนี่ที่ผมจะรู้สังเวกนะเพราะผมไม่เคยครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยทํามา แล้วก็ได้นําแบบฉบับครูอาจารย์ตามหลักทำในวิ่มาสอนด้วยนีะทําไมเอานี่นี่มันมาจากไหนทำไมมาจากเรื่องของกิเลสเรื่องนิสัยสันดานของคนหยาบช้าละมกนํามันนั้นมาอวดอวดมืออวดเปลื่ออวดครูอวดอาจารย์เยียบย่าทาำลายทำวิ่งไหนมันจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่อันเดียวนี้ นี่ก็เคยได้พูดตอนนี้มันดั้งเดิมก็ไม่เคยฉันอะไรน้ำร้อนน้ำชาไม่ยุ่งทั้งนั้นทั้งทีอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เป็นเช่นนั้นไม่มีแล้วดำเนินมา ก, ก็ไม่เคยสนใจกับมันทีนี้ก็มาอยู่นี่ก่อมากเขามากเขามากเขาสิ่งของก็มีมากามาของอารมณ์ไปอารมณ์มันมเร็วอนุโรมณ์เลยอันอนุ่นแหลกไปแล้วเดี๋ยวนี้ อ น, นุเลวไปแล้วมันแซงแซงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแซงเร็วที่สุดเลยเลียงร้อยตัวสู้มไม่ได้แล่ละถ้าอันไหนที่จะเป็นความเสือ่อมความเสียมันแซงเร็วที่สุดเลยถ้านั้นจะดีมไม่ยอมไปนี่สอนมากี่ปีกี่เดือนแล้วมาอยู่กับผมนีม่กี่ปีกี่เดือนแล้วแต่และองค์ลงนี่มันปลอมที่ไหนหลักทํามหลักวินญาที่นามาสอนนี่ มันถึงได้เอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแทนหลับทําหลักวินัาณที่สอนให้อรหารให้คนนั้นอันนี้ไปส่งคนนี้ไปส่งมีไหม ยาามาอดอวดวัดนี้นะถ้าเป็นอย่างนั้นยาอดให้เห็นให้คนนั้นเอาไปของนั้นไปส่งให้คนนี้เอาของนี้ไปส่งอ mm hmm. ติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้ให้ซื้อนั้นมาให้ให้ซื้อนี้มาให้ mm hmm. ผมไม่เห็นคุณค่าของเงินยิ่งกว่าท่านทั้งหลายนะใครจะไปก็ไปที่จะโกงไปก็โกยไปสิ่งมันมีเท่าไหร่มากน้อยที่เก็บไว้เพื่อความเป็นธรรมต่อมือต่อเพื่อนรับความสะดวกไม่ได้เก็บไว้เพื่อสังหาร เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสังหารผมไม่ได้มาสนใจกับเงินกับทองเข้ของอะไรทั้งนั้นมีมากมีน้อยไม่เคยสนใจยิ่งกว่าพระนเนรที่ผมรับไว้การสั่งสอนสังสอนลงที่กจุดนี้สนใจที่จุดนี้ต่างหากผมไม่เคยสนใจกับสิ่งเหลนั้นมันจะมีมากขนาดไหนไม่เคยสนใจกับมานเลยถ้านํามาใช้ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นให้เป็นธรรมยามาเป็นเครื่องสังหารยาเป็นยาพิษถ้าเาผาผราณท่านเง่ง ที่ชอบความพุกงเฟอเหือมมันเล็บมันรอดมันแชกมันแชงมันขโมยไปอยู่ในตัวของมันนั่นแหละแบบพระแบบพระหน้าด้านมันไม่ท่าในวัดนี้เริ่มตั้งแต่ทำสมาธยผมได้เห็นความอยากของพระที่สุดมันฝังใจไม่ได้ลืมเลยนะไม่ทรามาป็นไงเพราะมันฝังลึกมันจะลืมได้ไง เหมือนยักษ์เหมือนผีเหมือนกับถูกกักถูกกันเอาไว้พอเปิดช่องนิดมันแววกแนวก็นหน่อยเหมือนกำแพงจะแตกนะถ้านหน้าด้านสัญดานยาดแล้วมาทำให้หมู่เพื่อนที่ดีเสียไปด้วยเหยียบย่ำทนาไปด้วยปีนี้ที่เ ป, ป็นไปปกครองหมู่เพื่อนมาก็มีปีนี้ที่ปที่ แสดงความอกจะแตกให้เห็นกระหมูกกะเพนผมไม่เคยเห็นข้าหน้าด้านอางนี้ปกความมานานเนาะเพิ่งมาเห็นนีสันดานหยาบไม่จะ ไ, ไม่พอจากจูก็หนีไปสิใครบงังคับเอาไว้แถวนี้แถหนี้ไปหมดนี่ก็ไปสิ ไม่ น, นิมนต์ใครมาอย่ามาเหยียบย่าทําลายปฏิบัติธรรมที่ครูบาอาจารย์พางินมาอันนี้มันเป็นความเสียหายมากนี่หนีไปเสียไม่เสียหายไปเสียหายแต่ตั ว, ตวเองก็ไปไหนก็ไปเถอะอย่ามาทำหมู่น้าเพื่อนให้เสียหายบ้านว่าวาให้เสียหายเก่งก็ไปทําเรื่องเพลงก็เก่งๆงั้นสิไปวาดรวดลายเลยสามโลกเขาได้กราบรวดลายที่ เก่งกล้าสามารถเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์ให้ได้เห็นม้างสิท้ามันเก่งจริงน่ะนี่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็เป็นอีกอย่าง น, นอันนี้มันรู้กันอยู่แล้วสอนกันมาตัเท่าไหร่แล้วถ้ามันไม่เป็นด้วยนิสัยสันดานหน้าด้านมันจะเป็นเพราะอะไรมันก็เห็นได้ชัดๆ เคยดำเนินมาก็ไม่รู้รู้หมดดาเนินมาแล้วนี่ค่ะของมันนั่นเป็นอย่างนี้พระจะต้องได้ออกแฝงวัดหมดจริงๆนีอย่างน้อยจงน้ำอ่อนน้าตาลนี้ให้หยุดหมดเลยไม่มายุ่งเลยเนีย่มาสร้างความหนักใจมาสร้างขวักสร้างหนาวไว้ทำไมเราไม่เอา ขวากเอาน้ำสอนหมู่สอนเพื่อนแล้วอาเอาทําสอนหมู่สอนเพื่อนทำไมจึงต้องเอาขวากเอาน้ำมาทิ้นแทงหัวอกมาอยู่แบบหน้าด้านอยามาอยู่นะสถานที่นี้ไม่ไม่มีสถานที่สอนพระให้หน้าด้านนะ ใคจะไปก็ไปสิมันยัดธนากันารทำสมจะไปหมดีก็ไปสิะอหลวงตาบัวเนี่ยมันร้องห่มร้องไห้หา ห, า, าหมูเพื่อนดูสิหาหมูเพื่อนหนีไปหมดแล้วมาอยู่แบบนี้อย่ามาอยู่ มันหนักวัดหนักวาหนักหัวใจภูเขาทั้งลูกไม่ได้ใบแบกไม่ไดะแต่พระเนรในวันไม่ว่าลูกใดแบกทั้งนั้นเพราะความรับผิดชอบยู่เราคนเดียวนี่มันหนักอยู่ตรงนี้มันไม่หนักเพราะภูเขานีน่สายสันดานมันเคยมา นีเวลามันได้ออกมันก็เลิดเปิดเปิงให้มีครูมีอาจารย์เลยถ้าเป็นสัตว์ก็ไม่มีเจ้าของอ่ะยาอดในะอาหารถ้าหากเป็นอย่างนี้ยาอดเป็นขาดนะอยากให้เห็นนะถ้าอดอย่างที่ว่านี่ใครเอาอะไรไปรให้ อ, อะไรไปรให้นี่ ยามาอดมันขวางตานะนี่เคยอดมาแล้วอดเพื่อจะทรมานตัวเองไม่ได้หรอทำไมจะมาอดเพื่อปรมปือตัวเองสร้างความลำบากระบนที่แพร่หัวใจหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ทำไมนี่ก็เดยเคยได้บอกแล้วว่าได้ทอารมผ่อนผันหมู่เพื่อน จนจะทั้งองค์จะแตกก่อนหน้านี้นะนี่ยไ ด, พด้พูดแล้วพูดแล้วพูเล่าเนี่ยตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ได้พูดอยู่แล้วเพราะอนุโลมเต็มที่จริงจริงใช่เลื่อยก้อนี้ไปผมอยู่กับหมู่ขัาา้วมาได้นะโ อ, อ้ผมจะแตกเนี่ยเขได้บอกอยู่แล้วมีน้าทํายังมาสร้างความบกแตกให้เห็นต่อหน้าต่อตานี่ เนี่ยมีเข้าะอะไรบ้างชาใช้เอาอะไรไปให้บ้างเฮ้อตอนเช้าตอะไรให้เอาอะไรไปให้กิน มันเคยมาแล้วตั้งมันเส็ดมาตั้งแต่สมัยข้อแม่ครูอาจารย์ยังอยู่กับพระกับหนึ่งตุนกันตุนกานตุนกันพอ ม, มาเป็นกับเราจะเองได้ให้เห็นชัดจเจนชัดจเจนนี่โอกไม่แตกกทงงันไหยก็มันเข็ดอยู่แล้วนี่ ก็อยากมาอยู่ใครก็อยากมาอยู่ให้เห็นแสดงลวดลายความอยากมาอยู่อันดีงามไม่เห็นบ้างไหมยิ่งการกําลังสังขารอังคารดาวุดมีอตอนนี้แล้วมันยิ่งเห็นเด่นคัดเรื่องผ้าเรื่องหนึ่ง เหยีาบย่ำทำลายวัดวาว่าหมู่เพื่อนครูว า, าจานพระเจ้าชู้พระคุณนางที่ไหนมาอยู่ที่นี่ทมทั้งสอนให้เป็นพระเจ้าชู้พระคุณนางเหรอพระพุ่งเฟอ้อเหมพระเห็นจะอยู่แก่กินเห็นแก่ปากแก่ท้อง เนใจเร่วงชายเรื่อสอนย่างไงเหนือมีไหมท่านสอนได้ว่าไงอภิจิาตาสันตถีท้งางล่าไงท่านบอกไหมว่าให้สังสมอปิจิาตาอวะมหิสตาให้มากเหรมีไหมเห็นท่านสอนอปิจิาตาเนี่ยความมากน้อยสันโดษในสิ่งที่มีอยู่ยินดีในสิ่งที่ไม่อยู่ มันแหวกแนวไปหากว้านเอาขมานั้นมันเป็นสนโนดแล้วหรอือบุหรีทำไมใช่บุหรีนอกมันก็นไม่เอาม า, มาซื้อมาสูบเนี่ยองไหนซื้อบุหรีมาสูบนี่มันซื้อมาเผาหมวมนเหรอซื้อมาทำไม มาปฏิบัติเพื่อซูบุรีนเหรอเพื่อซื้อบุรีนเหรอนี่เหรอพิเศษอย่างนี้เหรอท่านสร้างความดีจากอนนี่เหรอมองไม่ทันเลยความเร็วของพร ะ, นะระเวลามันไป็ขึ้นมา จนอโถอัฐังเราก็ดียิ่งเราแก่ลงไปกว่ า, วานี้แล้วก็ยิ่งแล้วนะมันก็ยังมากควักตากันกินอยู่นี่แม่วัดหนูมันสลดทั้งเวทจะตายเลย นี่หรืออเป็นวัดหนึ่งที่มันเหลือเฟืออยู่แล้วอะไรๆ ก, ก็เต็มไปหมดเราก็ไม่เคยสนใจว่ามีอะไรท่านเนนจะรับความสะดวกสบายด้วยความเป็นธรรมอะไรเราเป็นที่พอใจแล้วเราจึงไม่เคยมาสนใจกับสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อท่านเนนที่จะเสียสังหารตนโ ส, สดร้อนๆมันก็อยู่ไม่ได้สิด้วยสิ่งเหล่านี้น่ะมันก้อนมาสังหารตนเองมันไม่ใช่ความพอดี อยากให้หมเพื่อนได้ครบได้ฉันได้ช้ได้สอยด้วยความเป็นธรรมทั่วหน้ากันนี่เป็นเจตนาชุดซึ้งในหัวใจเราเราพูดได้อย่างเต็มปากเลยเป็นอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งเหล่านี้กลับมาเป็นเครื่องสงหารธาเนนเราก็ดูไม่ได้อีกเหมือนกันอกเราจะแตกวัดนี้ะที่เหลือเฟือ แล้อย่าว่าพอดีพอดีเลยแล้วเหลือฟัววัดนี่ขนออกไปทานเท่าไหร่ก็เป็นความชอบทานเท่านั้นแหละไอ้ขนเข้ามาสังหารตัวเองที่เพราะความปุงเพ้อเห่ยความโลภความโลเลความไม่รู้จักประมาณความเห็นแก่ปากแก่พร่องนี่สิมันเป็นเรื่องหยาบโลนที่สุดนะไม่อยากได้หินได้ยินไม่อยากเห็นผู้ปฏิบัติจะมาแสดงตัวเป็นอย่างนั้นมันเข้ากันไม่ได้กับตั้งใจปฏิบัติเพื่อมาผลิพาน อย่าปฏิบัติเพื่อจมงโดยถ่าเยอะเท่านั้นมันเข้ากันได้อันนี้ถึงแม้มาปฏิบัติมันก็สร้างมันอยู่แล้วอย่นี่เราว่ามาปฏิบัติเพื่อทางจมทั้งเป็นนี่นะยิ่งดูไม่ได้เลย ปฏิบัติธรรไม่ฝ่าไม่ฝืนไ ม, ไม่ตัดไม่แตง่งกดขี่บังคับตนกดขี่บังคับที่เหลสที่มันฝังใจมันกดขี่บังคับเรานั้นก็ไม่ทราบจบเดินทางไหนผู้เป็นสาระก็เห็นแล้วตามตำหนับตำหนัใครจะค้านกันได้ลุงคอขอคำพีเดียวกัน ไมว่พระพุทธเจ้าไม่ว่าพระสงฆ์สาวกท่านท่านํานนเนินอย่างไรสกุลไหนที่มันได้มาไม่ไม่ได้มาเป็นสาวก ข, ข, ของพระพุทธเจ้ า, านีเหลือสกุลไหนก็ได้เป็นสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นดําเนินตามพระองค์หมดทุกสกุลสกุลพระราชามหากษัตริย์ฟังดิ เศรษีกูุนปีพวกข้าประชาชนคนธรรมดายาจกมีพวกคนขอทานเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าทั้งนั้นมาเป็นสาวกของพระเจ้าได้ทั้งนั้นท่าไม่ได้มาเป็นด้วยความโอ้อาสง่าพาเผยด้วยความเห็นแก่ปากแกอท้องตามนิสัยสันดาณ น, นั่นท่านมาด้วยอ ด, ด้วยธรรมมั่งมีสี ขนาดไหนอำ น, นาจรัตน์กว้างแคบขนาดไหนถ้าไม่เคยสนใจกับเรื่องนั้นนอกจากทําอย่างเดียวขนาดนี้แล้วดําเนินตามพระพุทธเจ้าด้วยความลําบากลําบุญมันก็ไม่ไท้อใจถ้าเนยเป็นสังคังสนักระฉามีของพวกเราขึ้นมาถ้าไม่ได้เป็นสังคังสนักระฉามีมาด้วยน้ําอ้อยน้ำตาลกุ้งกุ้งกาแฟเนสยในค น, น, นดังที่พวกเราคว้านเข้ามาเป็นสาระอิทุกพล น, นี้มันมาสังหารตง สาวกข้างหลายท่านไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เยียวยากันไปอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เยียวยามันอะไรทางจงกลมที่ทีสนั่งสมาธิภาวนานั่นเป็นฐานที่หายใจของท่านลมหายใจท่านอยู่กับความเพียร ท่านมาในมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเศษของเดน่นของโลกสมมนุษยนิยมกันของธาตุของขันที่มันต้องการอย่างจี๊เดมันไปกว่าเนามาเป็นเจ้าตัวการสําคัญขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตในหัวใจพระในภูมิของพระนลิ้นของพระไเสียแล้วทําจะเกิดได้ที่ไหนเมื่อสิ่งนี้มาเป็นใหญ่กว่าแล้ว นี่ที่มันทำให้อีกหนาและอาใจนอันนี้ก็ดําเนินมาก็แถบร่วมแถบตายได้พูนหมดแล้วให้หมู่ื่อนฟังไม่เคยลี้ล่อมี่อี้เหมือนก็จะตายอยู่คนเดียวจริงๆมันทุกข์มันลาบาก ท, ทั้งถาดขันร่างกายทั้งทรมานจิตใจไม่กินแล้วยังไม่แล้วยังไม่นอนแต่ความเพลียนไม่ถอยลมออกหู อือไปหมดเหมือนมันไม่ออกจมูกนะไม่ได้คิดว่าจะมาแนะนำสองสอนหมูนน่เพื่อนเวลาปฏิบัติตนอยู่มันเหมือนผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่มันแด็ดก็คือว่าจะเอาให้กิเลสมันทัง่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายจงขนาดนี้ไม่ตาย ยบพระพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดามาเป็นพงไทยพระพุทธเจ้าสรบถึงสามหนโภไม่เห็นตายวะนี่ยังไม่เห็นสรบปนี่ทําไมจะคลัวตายแล้วนี่แน่สอนเรื่อของแต่สรุปไม่สรบมันก็รู้กันอยู่นี่ว่ามันไม่สรบทุกขนาดนี้ยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าถึงขั้นสรุปนี่นะแน่ถ้าวจว่าเราเก่งยัไงได้มันก็มีแก่ใจเมื่อปลุกจ้ากจิตใจมาไม่ให้มันท้อถอยอ่อนแอน ทุกขณะไหนก็ให้มันรู้สิทุกขัตริย์เป็นของจริงอยู่แล้วไม่เรียนรู้ทุกขัตริย์จะไปรู้อะไรมันเห็นรอบตัวรอบกายรอบใจที่สุดผู้ปฏิบัติจะไปเห็นตัสิมเหล่านั้นเหล่านั้นประเสริฐจริงนั้นดีตัวเร็วไม่ได้ดู น, นั่มันเมื่อไม่เห็นความเร็วของตัวก็ความเร็วนั่นแหละมันเหยียบย่ำคำลาหงหัวใจอยู่ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนผันลงบ้างเลยมิจะเพิ่มขึ้นเลย กิเลสเพิ่มหัวใจมันเหมือนทำเพิ่มหัวใจไหมล่ะมีถือกองปืนกองไฟไฟนรกทั้งสู้ไม่ได้มันเผาใ น, นหัวใจเพราะพิษของกิเลสถ้าจะไปก็ไปนะหนึ่งจวนเข้าพรรษาแล้วนะ ไปไปมาก็ไปอย่ามาขวางหัวใจว่ะดูคนเดียวตาคนเดียวมันดีกว่าเรื่องความเรื่องความเกลื่อนคนด้วยพื้นด้วยไฟอย่างนี้ หมดภูมิสอนหมู่เพื่อนมีอะไรจะสอนเลยหมดภูมิแล้วจนเกิดความอินหนาลาใจขึ้นมาแทนที่จะรับความภาคภูมิใจกัหมู่เพื่อ น, น, นเรงกรได้นี้ขึ้นมามาปฏิบรรัติทำความภาคความเพียรลักใหญ่อยู่ตรงนั้น เดินจงกรมนั่งสมาธิผ่อนหาไม่ว่ากลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นต่ลับเท่านั้นนั้นเป็นทักษงานของพระโดยตรงก็ได้สอนหมดแล้วถืออะไรวิเศษวิโสยิ่งกว่างานนั้นเครื่องอาศัยก็อาศัยไปตาเท่านั้นไม่ได้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์จนถึงกับทําให้เจ้าของลืมเนื้อลืมตัวไปเพราะวัตถุทั้งหลายเหล่านั้น ส้างก็มาไม่อัดไม่อันส้างไม่มาไม่ยืมหมูดุนมตาส้างเข้ามาด้วยอำนาจของกิเลสตันหาแท้แท้ไม่ใช่ด้วยอาดด้วยทำนอกจากนั้นยังแบบระบบหลีกหลีกระบๆซ่อนๆนเป็นลักษณะขมโมยมาอีกนี่นี่นมันหยาบมากนะ เห็นความจําเป็นแล้วเอาที่ทุ่มทั้งหมดนี่คุณจะว่าอะไรห้อยผมทราบเหตุทร า, าบผลด้วยเถิดต้องการที่สุดเรื่องเหตุเรื่องผลความเคลื่อนไหวของหมู่ของเพื่อนหรือความจําเป็นของหมู่เพื่อนมีมากน้อยอย่างไรมีพร้อมเสมอที่จะรับฟังที่จะปฏิบัติตามเหตุผลและความจําเป็นนั้นๆเราไม่หึงไม่หวงอะไรทั้งหมด ของที่มีอยู่ในวัดหรือนอกวัดซึ่งเป็นสมบัติของวัดเราสงวนแต่พระแต่เนงนี้เท่านั้นที่เป็นหลักใหญ่ของเราในหัวใจเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นมันจะเกิดจะมีมามากมาน้อยมันไม่เห็นจะเป็นลงกัมันมันก็ฝังอยู่ในใจอยู่แล้วว่าอืมปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นเท่านั้นพอเป็นไปวันหนึ่งคืนหนึ่งที่จะทําให้เป็นความสะดวก จากการปฏิบัติบัางเท่านั้นไม่ถือเป็นการสะดวกมากจนกระทั่งกลายเป็นเครื่องสังหารตนเด่นเด่นดั น, ดนั้แไม่ได้กดได้เกินเหรือ่อีทําไง ที่ไหนยัวยยย่วเยี่ยวัย่วเยี่ยมีกับพระแต่เนรแล้วมันจะกลายเป็นขอนฟุงไปหมดเกลื่อนวัดที่แล้วทำไงยพยายามรักษาเพื่อส่วนรวมให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งประชาชนปกครองราชาติรวม มาเกี่ยวข้องกับวัดเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบคนเดียวไม่ใครทำแทนเราหาเน้นทั้งหมดก็เป็นหน้าที่เราของผู้รับผิดชอบในกิจการใดหรืออะไรที่ควรไม่ควรเราต้องพิจารณาทั้งสองเงินเงินประชาชนก็ต้องพิจารณาอย่างอย่างมาขอปูกกุฏิที่ครัวนั้น ก็ให้ได้รับความพิจารณาจากเรานีมาขอปูกนี้มีมากต่อมากเราก็มาเทียบแล้วกับเหตุผลอัดทมส่วนได้ส่วนเสียเมื่อส่วนเสียจะมีขึ้นส่วนได้จะไม่ปรา ก, กดก็จะฟื้นไปทาําที ญะยะแล้วคนนี้มาปลูกคนนั้นก็มาปลูกได้คนนี้ก็มาปลูกได้ทั้งวัดแล้วนิสัยประชาชนกับหลักทําแบบวินยัยไม่เข้ากันได้อตอนนินนสัยอันั้นมาใช้เหยียบย่ทำทําลายไปทั้งวัดเนี่ยจึงให้เป็นวัดของแผ่นดินโดยมีหัวหน้าเป็นผู้รับผิดชอบในวัด สมควรให้ปลูกก็ปลูกไม่สมควรให้ปลูกก็ไม่ปลูกไม่ให้ปลูกปลูกทำไมถ้เาเดี๋ยวลมให้ทําทําให้อย่างนี้มันก็มากพอแล้วมากเพามากเขา้ากลายเป็นรวงหมัดวงมวยขึ้นมาวงมวยฝีปากนี่ทะเลาะ ก, กันในระวังทั้งหมดมันไม่ไปไหนมันแต่ลงช่องนี้เคยผ่านมาแล้ว เพรว่าเที่ยวก เ, เที่ยวจะจนแหลกสมาคมก็จะจนแหลกทำไมจะไม่รู้เรื่องเหล่า น, นี้หญิงผู้หญิงทนะเลาะกันเร็วที่สุดไม่เหมือนผู้ชายหรอกความเห็นแจ่ตัวความชอบอำนาจความมองกันในแง่ร้ายมันดึง่ง ปากก็ไม่มีฝาปิดพร่ำพร่ำ ม, มาเลยพร่ำ ม, มาคำไหนเข้าใจว่าตัวถูกทั้งนั้นมันจะผิดเป็น0้ยอร์เ็นมันก็ไม่ได้ว่าผิด1 0อยเอร์เซ็นว่าถูกร้อยเป์เ็น์นั่นที่มันทะเลาะ ก, กันก็ตรงนั้นถ้าปากมีเหตุมีผลออกมาจากใจที่มีเหตุมีผลนี่ยากมีทำมันก็เป็นอย่างนนี้ไม่เป็นอย่างนั้น แล้วฆราวาสมาปกครองวัดมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแบบโมโหโลกณ ะ, ะมันทำลายความเห็นแก่หน้าแก่ตานั่นคำทำลายหลักใหญ่คือหลักธรรมนิ่งหน่งหลักศาสนาเรื่องของบุคคลแต่และคนละคนเราถือมาเป็นใหญ่ไม่ได้ ถ้าแต่และคนก็คนถ้าเป็นกิตที่บริสุทธิ์มันก็เป็นธรรมเครื่องส่งเสริมแต่นี้ไม่บริสุทธิ์สิมันก็จะหาวกทีกิเลสมากัดกันแหลก้งหมดกิเลสไม่ไว้หน้านนะกัดได้ทั้งนั้นกัดดะไปหมดเลยมันู้นักบ้าธรรมมีเหตุมีผล ควรนับเบามากน้อยเก่งแล้วก็ดําเนินไปตามนั้นเรียกว่าธรรมกิเลสมันไม่มีมีผลมิจิตจะเอาท่าตเดียวให้ได้อย่างใจท่าตุเดียวใจของกิเลสเปงี่ยิเลสคลองใจเปลี่ยนไม่ไเหมือนธรรมคลองใจธรรมคลองใจมีการดับยัง้งช่างตัวมีเหตุมีผลการแสดงออกก็เป็นหนักเป็นเก่งย่างกิเล่มันไม่ได้เอาหลักเอาเก่งอะไรมาใช้นอกจาก ตามหัวใจมันเท่านั้นหัวใจของกิเลสกิเลสเหัวใจเรานั่นแหละไปครองเป็นหัวใจมันบีบบี้สีไฟยางไงก็ได้มีประเดีตามวัต่างๆครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดเรื่องความอินาและอาใจให้ฟังก็เป็นผลที่ เราคิดไว้แล้วทั้งนั้นก็ไม่ทราบจากข้าอย่างไรมันเกิดความมินนาลาใจเกี่ยวว่าเรื่องประชาธิปไประยุทธในวดัดสร้างความไม่สงบขึ้นสร้างความทะเลาะบแวแ้งกันขึ้นสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นยุ่งไปหมดกุฏิหลังไหนไปรสร้างแล้วไปถือกรรมมาติดกรรมมาติดใครไปแตะไม่ได้นั่นฟังเลยกุติในวัดก็ไปถือกรรมมาติด เหมือนอย่างอยู่ในโลกอยูทางโลกมันเอามาใช้ในวัดนิศสายของโลกามาใช้ในวัดมันก็ขวางวัดเลยดิไม่ขวางไงเพราะวัดมันไม่ได้เหมือนโลกนะี่ยแต่เอาทิศสายนั้นมาใชา้ของใครกันล้วคุณจายล้วกคุณจาเวลาไปห้ามด้วยติดใจห้ามไว้ด้ว ย, ว, ย, ว, ยว่าแม่ใครมาอยู่แม่ใครมาเกี่ยวข้องนะฟังสิ นี่เท่าไหรก็มเป็นของข่าของเราเป็นเจ้าอำนาจอย่างนั้นหมะทีเราไม่ทำก็เพราะคิดเรื่บงนี้แล้วเนี่ยทำก็เป็นจริงๆถ้าอนุ ญ, ญาให้เป็นก็เป็นอย่างนั้นจริงอนุ ญ, ญาตให้ทำราจึงมาอนุ ญ, ญาตลาจะมาขอจ้างเวลาไหนก็ตามเป็นคนใหญ่คนโตขนาดไหนไม่สำคัญยิ่งกว่าเหตุผลคืออัดหรือทำหามาอยู่เลย บ้านนี้คนเคยมาอยู่กันมากแล้วไม่มีอะไรเลยไม่จําเป็นต้อ ง, งตงสร้างอะไรมาอยู่เลยบอกงั้นเลยอยู่ได้เขาคับเราก็คับเขาแคบเราก็แคบเขาแน่นเราก็แน่นเขาลําบากเราก็ลําบากมันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเลยถ้าเป็นผู้มุ่งอัดมุ่งทำไปอย่างั้นเราต่อไปงั้น ทรงเช็คมาท่านคิดจะสร้างหลังจากนี้ทรงกลับน่ะเราไม่รับไว้เมื่อเราไม่เห็นเหตุผลด้วยทรงมาเป็นล้านๆก็ก็ตามเถอะทรงกลับให้หมดเงินล้านม่ได้มีคุณค่ายิ่งกทําเอาตรงนั้นเลยเป็นหมกโคลกะน า, าตายแนละ้วพิพายหมดเลยเคยมีทรงเช็คมาจะมาขอสร้างให้สั่งนี้ ส่งกลับเพร้อมันก็ชี้แจงอีกุผนึงนทราบเพราะก็เคยพูดให้แล้วดังฝืนไหมเฉยนี่ผู้ที่ส่งมาก็ฝืนเฉยทั้งๆ ท, ที่เราก็ชี้แจงแล้วนี่นนยังฝืนส่งมาส่งมาก็ส่งกลับสิแต่นี้ผมไม่พูดเพงเพิ่งมาพูดวันนี้เมื่อมนมาสัมผัสผมก็พูดนันเป็นมาอยู่เรื่อยๆนี่มาเกี่ยวข้องกับเราโดยเฉพาะพอเห็นว่าเราเป็นหมอหน้าเราเห็นต้อปลี่ยไม่ต้องเป็นยั ง, งแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ผ่านไปผ่านไปเราจึงไม่นํามาพูดอะไร มืมาสัมผัสมีเหตุมีเรื่องมีราวมาสัมผัสก็จึงได้นําออกมาพูที่เฉยเหตุนั้นไม่ได้สําคัญเท่าความลงใจด้วยเหตุผลกันเลยนะอันนั้นต่างหากที่จะเป็นที่ดิบมงคลไม่ใช่เป็นที่ดิบมงคลเพราะการมาทํามาตามชอบใจแล้วการส่งเงินมาเป็นล้านๆมั น, นเป็นมงคลอะไรหาเหตุผลไม่ได้เอามองคลมาจากไหนออื ความมีผลความมีหลักเกณฑ์นั่นคือความเป็นมงคลนั่นคือความเป็นของมีคุณค่าคุณค่าอยู่ตรงนั้นต่างหาไม่ได้อยู่กับความพราเห็นแก่หน้าแก่ตากันไม่อยู่เพราะเห็นว่าเขาเอาเงินเอาทองมาให้นะตอนนีน้ถ้าอย่างนั้นศาสนาก็จมสิศาสนาไปเห็นแก่สิ่งเหนั้นศา ส, สนาก็ไม่เป็นตัวของตัวได้ปกครองโลกไม่ได้กลายเป็นโลกมาปกครองศาสนาแหลกระหมดนั่น ต้องคิดเรื่องเหล่านี้ไม่คิดไม่ได้นี่คือไม่ได้ปฏิบัติต่อใครไม่ง่ายโดยหายเหตุผลไม่ได้ถ้าเหตุผลพร้อมแล้วไม่ว่าใครปฏิบัติได้ทั้งนั้นลงใจได้ทั้งนั้นมันลงอยู่ที่เหตุผลต่างหากไม่เลยลงอยู่กับเงินกับทองกับ ข, ของกับเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยฐานะนั้นฐานะนี้ไม่ได้ลงเพราะสิ่งเหล่านี้ เพราะทำไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นทำอยู่กับเหตุกับผลคือความถูกต้องมีางาเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต่างหากลงที่จุดนั้นมองเห็นพระเนนเป็นเพลนผ่านผ่า น, น, น, น, น, น, นหาเหตุ้าผลไม่ได้เนียมันสะดุดใจสะดุดใจนะผม หเห็นอยู่ในทางจงกรมหเห็นอยู่ที่สมาธิภาวนาเราปลื้มใจภูมิใจสมุจเจตนาที่เราสอนเพื่ออย่างนั้นแล้วเรากระดาเนินมาอย่างนั้นด้วยนี่นะไม่ได้ว่าเป็นเพนื่อนผนพาดมีกิจเพื่อจําเป็นแล้วว่าทำแล้วเหมือนกับอยากจะให้เสร็จให้สิ้นเดี๋ยวๆจะได้ภาวนาสนุกอันนี้มันเป็นน้ำไหลบาแม้จะมีสติตั้งหน้าต่างตาไม่มความมีสติอยู่ ในกิตการนั้ น, น, นทั้งรักษาจิตก็ตามมันก็เป็นน้ำน้ำไหลบ่าไม่ได้เป็นเม็ดเป็นหน่อยพราะอย่านั้นน้ํากระทุ่มกันเลยในความเปลี่ยนหลายลงช่องเดียวนี้เราอยาเห็นหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่นะไม่อยากเห็นไม่อยากพบไม่อยากเห็นที่อเป็นเพ่อนผ่านๆแล้วยังที่เป็นมาเหล่านี้มันสะดุดตาสะดุดใจ คุยโมกันหาเงียดหาผลไม่ได้บ้านน้ําลายอนี้ไม่อยากพบไม่อยากเห็นอยากเห็นเดี๋ยวพูดน้อยแต่ต่อยให้มากนั่นฟัดลงไปกับี่เลดเนี่ค่ะว่าเป็นตัวเป็นตนี่เลดเป็นตัวเป็นตนเนี่รากับี่เลดนี่เป็นคู่แค้นกันจริงๆเนี่ยถึงใจเลยต่อแต่นี้มันกิเลสมันเป็นนามธรรม ว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นเหมือนศักเหมือนบุคคลนี่ไอ้เรากับพิเด่นนี่จะเป็นคู่เคียดคู่แค้นกันเดี๋ยวเหมือนกับเป็นคู่ผูกกรรมผูกเวรกันอย่างถึงใจเลยเดี๋ยวพเด่นไม่พังจะเมื่อไรจะถอยไม่ได้ตายก็ตายไปเถอะว่างั้นเลยเพราะมันเคยบีดบังคับหัวใจมาตั้งนานแสนานไม่ทราบว่านานเท่าไหร่ในชาตินี้ก็เห็นแล้วตั้งแต่วันเกิดมา ในขณะที่ออกบำเพ็ญที่แรกมันก็เหยียบย่ำทําลายแล้วมันไม่ลืมนะนี่นะตั้งหน้าตั้งตาพยายามตามคว า, า, ามภาคความยานมันยังฉุดลากไปได้ต่อหน้าต่อตาเนี่ยจนโอ้โหขนาดนี้เถยวเหลือบงบังคับเปนขนาดนั้นมันยังฉุดลากพัฒนาต่อตากําลังสู้มันไม่ได้นี่แหละเหตุที่จะได้ฝึกปรมาหลายด้านหลายทางนะก็เพราะธรรมดาธรรมดาอยู่นี้ฝึกกันอย่างนี้มันไม่ได้เนี่ยทำยังไงนี่ นี่หาวายอกดนอนก็ลองดูแต่ปรากฏว่ามันถื่อไปเสียนิสัยไม่ถูกไม่นอนทสองคืนสามคืนติดติดกันนอนวนไปยังไงจิตมันทําไมคลึกขนองนักหนามันคลึกขนองอย่างนี้มันเองนะไม่ใช่ว่ามันไปคึกขนองเพราะไปลากรูปนั้นรูปนี้จยางนั้นถึิ่งฟุ้งเหินกรกะนุ่นน่ะมันนัเป็นอยูะไรหัวใจเนี่ยเผาทีา่หนัวใจจะขอในความคลุกความนอของจิต ต้องทีนี้ก็ต้องหาวบายฝึกแหละไม่นอนก็ลองดูสองคืนสามคืนที่ติดกันก็ลองดูผลไม่ค่อยปรากฏมันทื่อไปเลยมันไม่แยบคายเพิ็กหมอ่อดอาหารลองดูพออดมันก็ปรากฏขึ้นมา เรื่องที่มันความคึกของมกระนองอยู่ภายในใจิตใจนั้นมันก็สงบตัวลงไปสงบตัวลงไปใจก็ค่อยเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาอือท่าผลท่บผลนนี่แหละเหตุที่เราจะได้อุดหารจนกลายเป็นนิสัยก็เพราะเหตุนี้เองความหิวหิวความทุกโธทำไมจะไม่ทุกโธแต่กิเลสมันดัดสันดานเรามันทรมานเรามันบีบบังคับเรามันทุกข์ยิ่งกว่านี้ไปอีกนั่นเอาข้อนี้มาเทียบดูสิ ยังเรียกว่าปฏิบทาเป็นปฏิบัตาอดอยากปฏิบทาเราเพราะเลยพินิษฐพิจารณาหาอุบายที่จะต่อสู้กับกิเลสนี่มันหลายแง่ยหลายกระทงเหลือเกินก็พอได้เงื่อนมันก็คือเรื่องอดอาหารสำหรับเราเองนะคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละมันจ ะ, จะชวนใจมันลงธาตุขันนี้กํ า, านนกลังนี้ธาตขันนี้เป็นเครื่องเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีเราไม่สงสัย เจนราคะก็เกิดได้เร็วถ้าธาตุขันมีกําลังเพราะมันได้เครื่องเครื่องมือดีเครื่องมือทันสมัยเพราะอดลงไปอดลงไปใจไม่กําลังคือขนองนั้นก็เขาสงบตัวลงไปเห็นจนกระทั่งสงบแนวลงไปมันก็รู้ได้ชัดเลยนี่ระยะ ก, ก็ท้นทิ้งกินพร้อนไม่ให้มันตายตอนนั้นเนี่ย ฟาดกันไปฟาดกันมานึงเปนจิตมันเข้าสู่สมาธิเป็นความสงบได้จรแม้เช่นนั้นก็ยังต้องได้ไม่ทรมานมากก็ต้องทรมานน้อยอยู่นั่นแนะ่ะในการขบการฉันนี่นะไม่ได้ฉันได้ไม่เต็มหน่ยวยเหละเพอฉันนั่นเต็มหน่วยมันฝืดเครื่องภายในจิตใจครุกครับเวลาดำเนินเนี่ยมันก็ต้องถอยมาอีกอ่ให้อยู่อย่างได้พรรษาหนึ่งหนึ่งนี่ ผมไม่ได้ใช้งานอิ่มแม่วันเดียวเลยนะอ้บรรดาจะอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่ออยู่กับหมู่เพื่อนมากจะอดอาหารมันก็ไม่สะดวกก็เลยต้องใช้แบบผ่อนคือให้มันเท่านี้เคยยังให้ท่ากําปั้นนี่นะให้วันละเท่านั้นหมดหมดเท่านั้นอิมไม่อิ่มไม่สาคัญเพราะเรากำหนดให้เองนี่แล้วเราอดเราไม่ฉันมันยังเมตาย แล้วฉันเท่านี้มันจะเป็นรายไปก็มันเห็นด้วยใ่ไะเรียนธรรมะเรียนเพื่อความรู้ความฉลาดทั้งธาตุทั้งขันและจิตใจทําไมจะไม่รู้เรื่องจะเป็นจะต่างเจ้าของในพรรษาหนึ่ ง, งเป็นอย่างนั้นแหละอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มา ก, กี่ปีในพรรษากินข้าวมาอิ่มแหละอันนี้ก็บหนุ่มจะไม่ค่อยได้พูดให้มู่เพื่อนฟังแต่เรื่องสมทานธุดงผมเอาทุกพรรษาเลยมู่เพื่อนจะล้มประการล้มไปเถอะเราไม่ให้ล้ม ยิ่งเขมวดกวดขันจะของมากยิ่งขึ้นเห็นหมู่เพื่อนเลีวไหลเพราะมันเห็นเลีวไหลมาจากโน่นเนี่อนี่หาความจริงใจไม่ได้ทอย่างไรทําให้มิตรุวิจาร์กับหมู่กับเพื่อนทั้งๆ ท, ที่เราก็ตะเกียตกตะกายต่อสู้กิเลสอย่างหนักเหมือนกันก็ยังอดคิดเรื่องหมู่เพื่อนว่าไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้ะมาทานคุณดงก็เอาสัเดี๋ยวล่มไปล่มไปสุดท้ายหมด เ๊ะทำไมเองยิ่งแสดงความไม่ไว้ใจเราก็ยิ่งเข้มงวดกวดขันเนาเข้าทุกทีทุกทกีแต่เนื้งหันไม่มีอิ่มแล้วไม่ต้องออกพรรษาให้อย่างนั้นทุกวันให้เท่านั้นไม่ตายบอกเจ้าของเองไม่ตายานี่นะจะสงบจิตก็บังคับได้ง่าย มันจิตสงบแล้วมันสบายมันไม่ยุ่งวุ่นวายใจตัวภายในนี่มันก็ไม่คลึกไม่ขนองทําลายตัวเองอยู่โดยเฉพาะนอกคือตามธรรมดานองกิตถ้ถามันคลึกขะนองนอกทำมาตัวเองโดยเฉพาะแมันยังไะกว้านเอาลูกเอาเสียงเอากลิก่นเอารสมาเผาก็มาอีกเป็นอารมณ์เผาตัวเองนี่ที่มันใหม่มันลําบากมากกิเลสนี่มันถึงได้ถึงใจนะฝึกทรมานนี่เกือบเป็นเกือบตายเวลาเราทําทุกมากจริงๆกิเลสนี่ทําให้เราถูกการฝึก ําบากระบนก็เพราะกิเลสเป็นต้นเหตุทั้งนั้นพาให้ทุกทําทํานไม่ได้พาให้ทุกนี่ทุกทุกแง่ทุกมุมโดยลําพังมันที่ปีบบังคับเราก็ทุกเราต่อสู้กับมันก็ทุกมีแต่เรื่องของกิเลสพาให้ทุกทั้งนั้นไม่แก้าขเพียงสมาธิเท่านัน้นสงบแน่วปิดกุรู้ผ่องใส เนเห็นดวงชัดๆไปเลยว่าเป็นความสงสัยเป็นความสงบในตัวเองภายในตัวอเองแม้แต่อยู่ในร่างกายมันก็มันมันมันก็ไม่ใช่ร่างกายมันรู้ทัดๆว่าคือจิตน่ะนี่คือจิตนี่คือความสว่างของจิตคือความสงบของจิตเน่รู้ได้ทัดๆอยู่ภายในร่างนี้แหละแต่ไม่ใช่ร่างกายนี่มันนักไม่มีความยับยั้งเพราะไม่ใช่เพราะไม่ใช่เรื่องปัญญามันเป็นความสงบเหมือนกับว่า ตี้ิเลสท่าล่อมตัวเข้ามายปัญญาไม่ได้คลี่คลายออกฟาดออกฟันหั่นแหลกกับทีิเลสพอเมื่อปัญญาได้ก้าวเดิอนออกไปนั้นแหละทีนี่กิเลสมันสังมันตรงอยู่ที่ไหนมันทุกมันท่อนอยู่ไหนปัญญาขุดค้นขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาฟาดแหลกละเอยียดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยในธาตุในขันธ์ของเราทุกข์หนุนทุเรง เป็นเรื่องของกิเลสตัวอุปทานทั้งนั้นเวลาปัญญาที้ขายลงไปที้กานถอดเสียนถอดหนามขึ้นมาเรืเ่อยๆเรื่อยๆเรื่ยจเห็นคุณค่างปัญญาประจับใจอย่างนั้นน้ําก็หมุนละนี้งแต่ความขี้เกียจที่้ารความทอดเทว่าวอันนี้ย mm hmm. มันเราจะรู้ได้ชัดชาต่อเป็นเรื่องของกิเลสก็เมื่อถึงขั้นนั้นแล้ว mm hmm. สิ่งเหล่านี้ไม่มีนี่มีแต่มีแต่ท่าจะเอาท่าเดียว จนรั้งเอาไว้มันจะเลยเถิดไม่หลับไม่นอนนอนไม่หลับนอนก็นอนแต่มันไม่หลับเพราะจิตมันทํางานมันต่อสู้กิเลสไม่ถอยนั่งอยมันก็ต่อสู้แย่ที่สุดชั้นจะหันอยู่มันก็ไม่ได้อยู่กับลิ้นกับปากนี่นะมันอยู่กับกิเลสต่อสู้กิเลสฟัดอันกับกิเลสมันมาสนใจกับรถกับชาที่ไหนมันเห็นชัดๆผู้ชัดๆอย่างนี้นี่ปฏิบัติมาอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นปัญญากรเก้าเดินทําได้ ก้าวเดินําและแซงเหยียบหมอกิเลสไปแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสค่อยหมอบลงเหมาลงแต่ก่อนกิเลสเหยียบย่าทำลายทำแม้สมสัปปสธาตุก็เกิดไม่ได้ถูกกิเลสเหยียบทังทลายไปหมดทุกมาคทีเดียวปิดหาความสงบไม่ได้นี่ทุกแสนสาหัสเห็นอยิดสงบได้ก็ศาสนาก็มีคุณค่าขึ้นมา กราบพระพุทธเจา้าเขค่อยสนิทใจเขากราบทีเฉยนะับถือเฉ ย, ยอย่างหนึ่งก็ากราบด้วยความถึงใจเป็นลาดับบรรดาไปเป็นอีกอย่างหนึ่งนะกราบพระพุทธเจา้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์พิันพิถันอ่อนกําลังลงธรรมะก็ยิ่งมีกําลังมากมากสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมวิริยะธรรมก้มกลืนเป็นอันเดียวไปเลยขึ้นชื่อว่าธรรมนก รวมพลังกันมาเป็นจุดเดียวจุดเดียวจุดเดียวพุ่งพุ่งพุ่งฮะความขี้เกียจที่ค้านหายหน้าไปหมดมีแต่เอาเป็นเอาตายก็สู้ท่าเดียวสุดท้ากก็มาลงที่ว่ากิเลสกับเรานี้ต้องฝาไใดฝ่ายหนึ่งตายนั่นกิเลสไม่ตายก็เราตายเท่านั้น เวลามันเห็นโทษกันถึงขนาดนั้นแล้วเห็นคุณของธรรมถึงขนาดนั้นแล้วมันก็มีอยู่สองตอ น, นั้นจะให้อยู่ด้วยกันครองคิดตนครด้วยกันทั้งกิเลสทั้งธรรมนี้ไม่ได้อ้าวกิเลสถ้ากิเลสเหนือแล้วก็ให้กิเลสได้ครองคิดแตนคร น, นี้อันเราก็บรรลัยไปอย่าเงี้ยถ้าเราเก่งก็จิตนี้ต้องพังเราจะเป็นผู้ครองจิตนครให้ธรรมครองจิดแตนคร มันมีสองเท่านั้นนี่อาที่มันเด็ดนะมันเด็ดมันเฉียบมันขาดเด็ดยิ่งเข้าไปอีกคือคำว่ากิเลสนี้จะยังเหลืออยู่ภายในใจไม่ได้ถ้าเรายังมีชีเลสอยู่ว่างเน่ยต้องพังไม่วันใดวันหนึ่งต้องให้พังแน่ๆมันจะขยับข้อเรื่อยๆเรื่อยๆมันยิ่งเห็นทัดเจนกิเลสตัวไหนมันขาดออกไปด้วยสติปัญญา อ, อุบายใดอุบายใดมันรู้รู้รู้รู้ไปโดยลำดั บ, บตัดนั้นขาดเข้ามาอันนี้ขาดเข้ามาขาดเข้ามาเรื่อยมันเห็นชัดชัดเลยใจนีินาเห็นอย่งางธาตุอย่างขันมันยึดธาตุถือธาตุ ถ, ถือรูปถือกายนี่เวลาพังเข้าไปด้วยอุบายต่างๆตั้งแต่อสุภะอสุาทาังลงไปถึงอนิจจังทุกขังหน้าตาแตกกระจายไปหมดรอบด้านไปหมดแล้ว คำวาอุปทานความหลงในกายมันก็หมดให้เห็นชัดๆนี่มันรู้ชัดๆภายใใจไม่มีใครบอกก็ตามมันบอกขึ้นตัวเองเป็นสารทิฏิโกสันทิิโกทิฏิโกจนกระทั่งมันหมดความหลงกายความยึดมั่นถือมั่นในกายอุปทานในกายมันหมดหมดนี่ก็รู้มันหมดก็ไปไปชัดๆนี่ยกิเลสตัวสําคัญเนี่ยตัวอยู่ในร่างกายเนี่ยตัวสําคัญมากทีเดียว กำลังก็มากบีบบังคับเราก็หนักทุกก็มากพอตัวนี้พังลงไปแล้วมันก็มีแต่ส่วนละเอียดลงไปเป็นนามาทํมอย่างสังคารเด่นยานนั้นยิบยับยิบยับยิบยบมันจะยิบยบขนาดไหนก็ตามเถอะลองสติปัญญามมนได้ยั่งเข้าไปจาเข้าไปแล้วยังไงมันก็ไม่ถอยเอาจนรู้ ไม่มีอะไรเหนือสติปัญญาไปได้กิเลสตัวใดไม่แหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเมื่อถึงขั้นสติปัญญาแหลมคมแหลมคมขนาดนั้นอือยากเข้าใจว่าคนเรานี่จะโง่ตลอดเวลาถึงเวลาฉลาดฉลาดจริงๆนั้นพลิกแพงเปลีปล่ยนแปลงในตัวของมันเองนั่นแหละโดยไม่ต้องว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้มันถ้าเป็นในหลักธรรมชาติของจิตที่มีความรอบครอบหรือคล่องแคล่วในตัวเองมันเป็นอตัตโนมัติเนี่ย ทีนี้มันอะไรขาดทันไปขานมันรู้นี่แม้แต่สัญญาสังขารมิญญาพวกเวทนาสัญญาสังขารมิญญานมันขาดไปมันเหลือแต่จิตล้วนๆมันก็รู้เวทนาก็มีแต่จิตตเวทนาอันละเอียดละเอียดอมันก็เป็นคู่กันกับพวกสัญญาสังขารมิญญาณซึ่งเกิดมาจากใจันเดียวกันมันก็เป็นขันเป็นอันหนึ่งต่างมันเป็นเหมือนกาฝาก ถ้าเราหลงมันมันก็ดูดซึมเอาจิตมันแหลกไปเหมือนกันเหมือนกับกาฝากที่อยู่ตามตืนไม้มันเกิดขึ้นมามันเป็นกาฝาเป็นถึงเป็นก้านเป็นต้นเป็นลำของมันเป็นดอกเป็นใบของมันแต่มันอาศัยอาหารของตืนไม้นั้นเลี้ยงลําต้นของมันกาฝากต้นไหนต้นไม้ต้นไหนมีกาฝากมากๆแล้วไม่นานก็ตายอันนี้ขี้เหร่มากๆเหยียบลงมันก็แหลบ เหล่านี้อาการทั้งหกรูปเวทนาตัญยาสัายอยันใหญ่เป็นกาฝากสติปัญญาอย่างทราบหมดแล้วตัดกันขาดลงไปนอกจากนั้นกับมันมีเหลือถึ้งแต่เชื่อที่มันฝังอยู่ภายในจิตอย่างลึกลับอย่างละเอียดและออมมากแต่ก็ไม่เหนือสติปัญญาอันเกียงไกลนี่ไปได้เั้นหมุนเขาไปจนได้กันเลยเอาจนพัง นี่ที่พูดถึงเรื่องว่าความเจ็บแสบกับกิเลสที่เป็นเหมือนกับเป็นคู่กรรมคู่เวรคู่เคียดคู่แค้นกันจริงๆมันถึงใจจริงๆไม่ใช่ธรรมาดาเพราะมันทําความทุกข์ความทรมารให้เราตั้งแต่ไหนแต่ไรมามมเราก็ทราบเป็นสัตวในชาติปัจจุบันนี้เวลามันบีบบังคับเราเอาต่อหน้าต่อตาเลยมันทํามมันจะไม่เข็ดเมื่อถึงขั้นที่ควรจะเข็ดมันเข็ดสติปัญญามีอย่างทราบอนไปอย่างทราบไปสิ่งที่ควรเข็ดต้องเข็ด ไม่กล้าพูดว่ากิเลสกับเรานี่มันเป็นอย่างนั่นหว่างนั้นเลยเมื่อถึงขั้นมันจะเป็นเมื่อถึงขั้นมันเป็นกิเลสกับหัวใจเรานี้จะให้คลองกันอยู่ต่อไปอีกไม่ได้หนึ่งกิเลสต้องพังสองเราต้องพังคือกิเลสต้องตายเราสองเราต้องตายมีสองอย่างตอนนี้จะให้อยู่ด้วยกันทั้งสองนี่ไม่ได้วะ่ะแต่ยังไงก็ตามเราจะให้มันพังให้ได้นี่ไม่มีถอย จนมาทั้งหมดลมหายใจขาดดิ้นนั่นแหละสุดวิสัยอ้ามันจะคลองคำมันคลองไปลมหายใจยังมีอยู่แล้วยังไงมันก็จะต้องพังเราจะเป็นผู้คลองจิตรงนี้ทำนั่นแหละคำว่ า, มมาเราก็ดีมีเท่านั้นวางนี่เมื่อมันถึงขนาดแล้วมันจะอ่อนข้อย่อหยอห่อนได้อย่างไรอะไรมันก็เป็นเหมือนไฟไปหมดมีเผาไปเลยเผาไปเลยที่เตัวไหนมันจะมาเปลียนเนื้อทำมะ ฝุดท่ามก็พังตรางไปหมดหาที่ไหนของวิเศษอที่มันมีนวิเศษก็คือกิเลสนั้นมันเป็นเหมือนมุดเหมือนคูดมันปเปิคอบอยู่บนหัวใจนไงใจมันจึงเป็นใจที่ต่ชาช้าเร็วซามไปหมดหาคุณค่าไม่ได้ก็พเพราะกิเลสนั้นเองตัวหาคุณค่าไม่ได้ไปครอบอยู่นั้นหมกพังสิ่งนี้ออกไปไปหมดไม่มีเหลือแล้วไม่ต้องบอกแล้วของวิเศษอยู่ที่ไหนหาอ้าร อะไรวิเศษในโลกนี้ดินมันก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศเป็นอากาศมันมวิเศษวิโส อ, อะไรมันเคยมีมาตั้งกับตั้งการไม่เห็นใครว่ามันมวิเศษวิโสไมนมีใครได้ควา ม, มวิเศษวิโสจากมันแน่มันก็รู้ได้ชัดด้วยชัดเมื่อจิจกับธรรมเขาสัมผัสกันไม่ต้องบอกว่าความวิเศษวิโสเป็นยังไงมัน ร, ร, รู้รู้รู้นี่สิ่งนั้นมันมวิเศษวิโสยังไงมันก็รู้อันนี้มีวิเศษวิโสยังไงบ้างก็รู้ในพระใจหลวงของนี่แหละที่ว่าผู้เห็นขุมมันก็เห็นอย่างนั้น เห็นประจับใจประจับใจเห็นอย่างถึงใจถึงใจเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจทำไมจะไม่มีกำลังใจต่อสู้กับมันเมื่อความเห็นโทษก็เห็นถึงใจความเห็นคุณของธรรมก็เห็นถึงใจแล้วกำลังมันทั้งสองอย่างก็เป็นเครื่องหนุนให้มีกำลังมากขึ้นมันก็พุ่งพุ่งนี่นี่นี่นำมาสอนหมู่สอนเพื่อนสอนด้วยจิตด้วยใจจริงทอดมาเข้าใจมาสอน ลากมาหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยในตัวมันเห็นอะไรแสดงหูแสดงตามันคึกเคืองมากนะเพราะมันได้สอนเน้นเล่นนี่นะแล้วรบพูกงกงด้วยนะว่าไม่ได้สอนแบบดน้นดาด้วยสอนตามความมีความเป็นที่มันปรากฏขึ้นมาทั้งภาคปฏิบัติทั้งผลที่ปรากฏขึ้นมามากนะ้อยเพียงไรนำเอามาสอนทั้งทั้งสองเงื่อนทั้งเงื่อนเหินเงื่อนผลอย่างเต็มแม่เต็ ม, มหน่วยเต็มกําลังความสมาธิส่วนจะไม่มีอะไรจะสอน สอนหมูสอนเพื่อนแล้วไม่ได้มีในความรู้สึกว่าเราได้ดร่นไดเดามาสอนหมู่เพื่อนนี่นะพอตออกมานี้นานีน้นานอยางเหมือนอย่างนั้นแต่ว่าท้าทายก็ได้ทําทั้งหลายอเอฮีปัจโกเอฮีปัจโกประกาศอยู่ในหัวใจเหมือนกับว่าท่าทายดูซิดูสิหนีหน่ ะ, น, น, ะนี่น่ะว่างนั้นเมื่อเวลาถึงขั้นทำของจริงเจ้าความก็ได้เห็นอย่างชัดเจน ก็สามารถประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้กันได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราแต่ว่าเกียรว่าแค้นอยู่จริงเกียรแค้นถึงขนาดนั้นกิเลสเพราะมันได้รับความทุกข์ครมมันจากมันนี้มากน้อยอย่างไรมันเต็มในหัวใจกระจับหัวใจอยูนถึงขนาดว่าจะครองหัวใจนี้ทั้งสองไม่ได้ทั้งธรรมทั้งกิเลสไม่ได้ หนึ่งกิเลสต้องพังสองเราต้องพังสอง อ, งอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไงก็จะต้องเอากิเลสให้พังในวันใดเวลาหนึ่งจนได้ไม่ถอยแล้วมันจะหนีความสามารถไปได้อย่างไรเมื่อกำลังใจถึงขนาด น, นั้นแล้วมันก็มันต้องพังจนได้ มันไปอยู่ในหัวใจใดสมมติว่ามันอยู่ในหัวใจนี้ไม่ได้แล้วมันพังหมดแล้วนีมันอยู่ในหัวใจได้แสดงมากิริยาท่าทางไหนมันทำไมจะไม่รู้ฮะกิเลสมันประเภทเดียวกันนี่แสดงออกมาด้วยคนมายาใดมันก็รู้แสดงมาอย่างเปิดเผยก็รู้แสดงมาอย่างลี้ลับแสดงมาอย่างแบกคนมายามันก็รู้หมดเลยผมไม่เหนือทํา ทำเนือมันอยู่แล้วนะ่ะประมจะไม่เห็นกำไมจะไม่รู้เพราะนอกจากไม่พูดเท่านั้น